การปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อให้เกิดเป็นผลให้สำเร็จขึ้นมาได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัติว่าจะมีความสามารถในการที่จะกำจัด อุปสรรคต่างๆที่คอยกีดขวางการบำเพ็ญการปฏิบัตินี้ได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดอุปสรรคต่างๆได้ก็จะไม่สามารถที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติได้แต่ถ้าสามารถกำจัดได้ก็ จะสามารถบำเพ็ญสามารถปฏิบัติจนบนรรลุถึงผลต่างๆได้ผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติจึงควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และศึกษาวิธีกาจัด อุปสรรคต่างๆนี้ให้หมดไปให้ได้การฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกระทำกันอุปสรรคที่คอยกิดขวางการบำเพ็ญการปฏิบัติ เรียกว่านิวรมีอยู่ห้าชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองความยินดีที่จะเสพกามคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่เรียกว่ากามฉันทะ ข้อที่สชนิดที่สคือความม่วงเหงาเหานอนความเกียดคร้านข้อที่สคือความฟุ้งซ่านและข้อที่ห้าคือความโกรธความไม่พอใจนี่คือนิวรณ์ห้าประการอุปสรรค5้าประการด้วยกัน ห้าชนิดด้วยกันที่มักจะเกิดกับผู้บาเพ็ญผู้ปฏิบัติผู้บาเพ็ญผู้ปฏิบัติจึงควรศึกษาวิธีที่จะมาแก้อุปสรรคและนิวรณ์หรือนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ข้อที่หนึ่งความลังเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สงสัยว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่สงสัยว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถนำเอาไปปฏิบัติและเพื่อให้เกิดผลได้หรือไม่สงสัยในพระอริยสงสาวกทั้งหลายว่ามีอยู่จริงหรือไม่ความสงสัยเหล่านี้ เกิดจากการที่เราไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธพระเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสองสาวกต่างๆนั่นเองถ้าเราได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาพระประวัติของพระอริยสองสาวกต่างๆ ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีเราจะเชื่อได้อย่างเต็มร้อยว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ทรงออกบวชได้ทรงบำเพ็ญอยู่หกปีจนได้ตัดสรูวพระอรหัอ่์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัสรุธรรมที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นมาก่อนคือพระอริยสัจ ส, สีและไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตานี่คือพระพุทธเจ้าของพวกเราพระพุทธเจ้าได้ค้นพบความจริงที่ทำให้พระไทยของพราเอง ของพระองค์และพรและหัวใจของพวกเราทุกคนต้องทุกข์ทรมานกันอยู่เรื่อยๆต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆพระองค์เวยทรงค้นพบว่าเกิดจากความอยากภายในใจของพวกเราเองคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสกามะตัาหาอยากมีอยากเป็นภาวะตันหา อยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหาความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจทุกข์ใจเป็นต้นเหตุที่ทำให้ไปเกิดแล้วก็ไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นและทรงค้นพบว่าความทุกข์นี้สามารถที่จะดับมันได้ และสมควรพบเหตุที่จะทําให้ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ดับไปได้ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือทานศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้าใครสามารถทําทานได้รักษาศีลได้จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาได้ก็จะสามารถดับความทุกข์ใจที่เกิดจาก ความอยากต่างๆได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสู้แล้วก็เอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกสอนให้สัตว์โลกบำเพ็ญทานศีลภาวนากันผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ก็สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตในใจให้หมดไปสามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้บุคคลเหล่านี้ก็กลายเป็นพระอริยะสงฆ์สาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุ เป็นผู้ที่ได้ไปถึงมรรคพนิพพานแดนที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถ้าเราได้ศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีเราก็จะสามารถบำเพ็ญได้อย่าง มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นทํทำทานได้อย่างเต็มที่รักษาศีลได้อย่างเต็มที่บำเพ็ญจิตตะภาวนาได้อย่างเต็มที่พอเรารู้ว่าถ้าเราได้บำเพ็ญอย่างเต็มที่แล้วผลเราก็จะได้รับอย่างเต็มที่คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน และจะตามมาภายในภพนี้และชาตินี้ด้วยไม่จำเป็นที่จะต้องบาเพ็ญไปแบบที่พระพุทธเจ้าต้องทรงบาเพ็ญเองเพราะไม่มีผู้สั่งผู้สอนไม่มีใครรู้พระอริยสัจสี่ไม่มีใครรู้ตายรักนั่นเองพอมีผู้ที่รู้อริยสัจสี่รู้ตายรักนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ ก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องบาเพ็ญการเป็นกับเป็นการอีกต่อไปสามารถบาเพ็ญและสำเร็จได้ภายในภพในชาตินี้เลยบางท่านก็สามารถสาเร็จได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยพอทรงสแสดงเสร็จก็บรรลุได้เลยเพราะมีความสามารถที่จะน้อมนำออกไปกาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ให้หมดไปได้ในสมัยพุทธกาลมีผู้ฟังเทศฟังธรรมแล้วสามารถน้อมเอาเข้าไปปฏิบัติภายในจิตในใจกําจัดกามะตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาต่า ง, างๆให้หมดไปจากใจได้ก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมเลย และบางท่านก็ใช้เวลาบําเพ็ญไม่กี่วันบางท่านก็เจ็ดวันบางท่านก็เจ็ดเดือนบางท่านก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากนะก็สามารถที่จะบรรลุถึงพระนิพพานกันได้นะภายในภพนี้ชาตินี้เลยถ้าไม่มีเหตุที่ไม่คาดฝันทําให้ต้องเสียชีวิตไปก่อนในระหว่างที่ยังบําเพ็ญอยู่ ต้องสำเร็จได้ในพบนี้ชาตินี้อย่างแน่นอนถ้ามีศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ที่ยอมทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจให้แก่การบำเพ็ญทานศีลภาวนานี่คือนิวรอุปสรรคข้อที่หนึ่งคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรายังลั ง, ลงเลอยู่ขอให้เราเหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมกันไป อยู่เรื่อยๆบางท่านก็อาจจะต้องไปถึงประเทศอินเดียไปจารึกที่สังเวชนียสถานสเพื่อจะได้มีหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงเคยทรงประสูติที่ประเทศอินเดียเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว แต่ท่านที่ไม่มีเงินที่จะเดินทางไปประเทศอินเดียก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเพราะวิธีที่จะทำให้เกิดศรัทธานอกจากการไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็ยังมีอยู่ก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์สาวกท่านจะยืนยันอย่างเต็มที่เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริง พระธรรมคําำคำสอนนี้เป็นคําสอนที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงสามารถยังประโยชน์ยังผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถบรรลุปเป็นพระอริยสงสาวกขั้นต่างๆได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยนี่คือวิธีกําจัดความนังเลสงสัยในพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเรายังมีความสงสัยไม่มั่นใจขอให้มันฟังเทศฟังธรรมศึกษาพุทธประวัติศึกษาพระอริยสงประวัติศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติควบคู่กันไปพอ ป, ปฏิบัติแล้วพอได้เห็นผลขึ้นมาความลังเลสงสัยต่างๆก็จะหายไปทันที นี่คือนิวรณ์หรืออุปสรรคข้อที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ยังมีความไม่มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ข้อที่สองคือกามัฉันทะความยินดีที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพัสต่างๆถ้ายังมีความชอบความยินดีที่จะไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังไปไปเที่ยวเตะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไปเที่ยวตามยามค่ำยามราตรีไปงานเลี้ยงต่างๆไปดูมอหรสพบันเทิงต่างๆหรือไปร่วมหลับนอนกับแฟนหรือบุคคลต่างๆถ้ายังชอบยังติดอยู่กับกิจกรรมเหล่านี้การที่จะมาบําเพ็ญจิตตภาวนามาปฏิบัติธรรมย่อมไม่สามารถเป็นไปได้เพราะจะไม่มีเวลาที่จะมาบําเพ็ญนั่นเอง หรือถ้าบำเพ็ญก็มีเวลาน้อยมากจะนอาจจะบำเพ็ญได้แค่วันละทั้งสองครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่พอเพียงต่อการที่จะทําให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาผู้ที่ต้องการให้เกิดผลนี้จําเป็นที่จะต้องบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเวลานอนเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะ ทำให้เกิดผลต่า ง, างๆขึ้นมาได้ถ้ายังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัระอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่วิธีที่จะแก้การมฉันทะในเบื้องต้นก็ให้หัดถือศีลแปดกันไปก่อนในวันพระก็ลองมาถือศีลแปดกันมาละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกทะลิ้นกายกัน เศษแปนนี่จะเป็นเหมือนกับรั้วหรือกำแพงกั้นไม่ให้จิตออกไปเสพกามนั่นเองไม่ให้ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินความต้องการของร่างกายให้รับประทานได้แต่ให้รับประทานตามความต้องการของร่างกาย ก็คือรับประทานไม่เกินเที่ยงวันไปก็พอเพียงต่อการยังชีพยังชีวิตของร่างกายให้อยู่ได้อย่างปกติสุขไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารเย็นกันอาหารค่ำกันหรืออาหารดึกกันรับประทานแค่ครั้งวันละครั้งสองครั้งก็พอแล้วสำหรับการเยียวยาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุข ถ้ารับประทานมากกว่านั้นก็แสดงว่าเป็นการมาฉันทะมีความสุขกับการลิ้มรส ด, ดมกลิ่นของอาหารนไม่ให้รับประทานแบบนี้ให้รับประทานเพื่ออยู่ไม่ให้อยู่เพื่อรับประทานก็ต้องหัดถือศีลแปดถือศีลแปดก็จะไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ศีลข้อที่เจ็ก็ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆได้ไม่สามารถดูมาหารสพร้องลำทำเพลงไม่สามารถแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำาเผาทำผมต่างอะไรต่างเหล่านี้พราเป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองจะทำให้ไม่มีเวลามาบาเพ็ญมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบ มาสอนใจมาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญากันต้องลองลดกิจกรรมเหล่านี้ไปตัดมันไปแล้วก็ไม่นอนมากเกินความต้องการของร่างกายเหมือนกับการรับประทานไม่รับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายการหลับนอนก็ไม่ควรหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกายปกติร่างกายนี้เกินหนึ่งถ้าได้พักสักสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอแล้ว อนอนใต้สี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆ น, นอนบนเตียงที่สบายก็จะไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆที่ไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมไป บำเพ็ญจิตตภาวนาไปนี่ก็เป็นวิธีเอาเวลาที่เราสูญเสียไปกับการหลับนอนกลับมาให้แก่การบำเพ็ญให้กับการปฏิบัติสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีกันก็คือเวลาบำเพ็ญเวลาปฏิบัติถ้าเราเอาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าเราเอาไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลา อย่างพวกที่ถือศีลห้านี้ยังกินอาหารตอนอยังคืนได้ตอนเย็นได้ตอนค่าได้ตอนก่อนนอนได้แล้วยังสามารถร่วมหลับนอนกับแฟนได้สามารถดูทีวีดูละครดูหนังไปงานเลี้ยงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆได้สามารถแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามได้ สามารถนอนได้อย่างเต็มที่อยากจะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้ศีลห้ามไม่ได้ห้ามศีลห้าเพียงแต่ห้ามไม่ให้ทำบาปกอไม่ให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดลนะเดื่มสุราย า, มาเมาเท่านั้นแต่ไม่ได้ห้ามให้เสพกามฉันทะอนุญาตให้ทาได้ถ้ารักษาศีลห้า ก, ก็จะไม่มีเวลาที่จะมามาบำเพ็ญ มาปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบผู้บําเพ็ญจึงมักจะต้องถือศีลแปดกันและอาจจะถือศีลมากกว่าศีลแปดเพื่อทําให้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นและมีมีเหตุที่จะทําให้ไม่ไม่เสียเวลากับภารกิจอย่างอื่นนี่คือวิธีกําจัดการมฉันทะ ถ้าเรายังมีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลิตภัะอยู่ก็ให้เราลองเริ่มต้นอาทิตย์ละครั้งก่อนถ้าจะให้ทำทุกวันทันทีนี่คงจะทำไม่ไหวก็ให้ลองทำวันอาทิตย์ละครั้งก่อนคือวันพระวันพระนี้เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธที่จะเข้าวัดบาเพ็ญจิตตภาวนาถือศีลแปดกันเรียกว่าอุโบสนศีล นอนอยู่วัดนอนค้างวัดไม่กลับบ้านกันวันวันอื่นก็รักษาสี่ห้าไปพอวันพระก็นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็มาบําเพ็ญละเว้นการเสพกามเสบพลูกเสียงกลิ่นลดผลทพะอันนี้ก็เป็นวิธีกำจั ด, ดนิวรข้อที่สองคือการมาฉันทะตอนต้นก็เอาแค่อาทิตย์ละครั้งหนึ่งก่อน พอทำแล้วมีกําลังมากขึ้นก็ทําเพิ่มจากอาทิตย์ละครั้งเป็นสองครั้งอยากสองครั้งเป็น3ครั้งเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปก็สามารถที่จะบําเพ็ญได้ทุกวันแต่ก็ต้องลดกิจกรรมต่างๆที่มาขัดขวางในการบําเพ็ญชิน8นี้เช่นอาจจะต้องลดการทํางานให้น้อยวันลงไป ถ้าเป็นงานที่ต้องทำทั้งอาทิตย์ก็อาจจะเปลี่ยนงานมาหางานที่ทำตามเวลาที่เราต้องการจะทำเช่นเป็นอาชีพอิสระขายตรงขายประกันขายของขายเครื่องสำอางขายอะไรต่างๆเพราะการทำมาหากินนี้ก็เพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอเราไม่ต้องการทำงานทำมาหากินให้ร่ารวย แล้วก็เอาเงินทองไปเสพกรามกันเอาเงินทองไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพกันเพราะอันนี้เป็นการผูกให้เราติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองเราไม่ต้องทการทำกิจกรรมเหล่านี้การงานเราจึงสามารถลดปริมาณการทำได้ถ้าเราไม่ต้องเอาเงินทองมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ต้องเอาเงินทองมาซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆซื้อในสิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่เท่านั้นพออยู่พอกินได้ก็พอแล้วเอาเวลาอันมีค่าของชีวิตนี้มาบําเพ็ญจิตตภาวนากันดีกว่ามารักษาศีลกันดีกว่ามาบาเพ็ญจิตตภาวนากันดีกว่าด้วยการลด ปุปส ต, ต่างๆที่จะทำให้เราไม่สามารถรักษาศีลแปดได้วันทำงานเราจะรู้สึกว่ามันยากที่จะรักษาศีลแปดได้เราก็ลดวันทำงานให้มันน้อยลงถ้าลดไม่ได้ต้องเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนงานลาออกจากงานที่ต้องไปทำทุกวันแล้วก็มาทำวันทางานที่เราเลอกทาได้ทาเท่าที่เราเห็นว่า จำเป็นพอเงินทองไม่พอก็ไปทำพอมีพอกินพอใช้ก็หยุดทำเอาเอามาเวลามาทำจิตตภาวนานดีกว่าเพราะผลที่ได้รับจากการบำเพ็ญ น, นี้มันมีคุณค่ามาหาศาลกว่าเงินทองที่เราจะได้จากการไปทำงานทำมาหากินเงินทองก็เอามาก็เอามาซื้อภพชาติเสียมากกว่าไม่ได้เอามาตัดภพตัดชาติ แต่การบําเพ็ญจิตตภาวานานี้เป็นการตัดภพตัดชาติเป็นการลดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้มันน้อยลงไปและให้มันหมดไปดังนั้นจึงไม่ควรเสียเวลาไปกับการทำมาหากินหาเงินหาทองหาลาภหายศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราว ที่จะต้องหมดไปเวลาที่ร่างกายตายไปจะไม่มีอะไรติดไปกับใจเลยนอกจากภบชาติที่ได้สร้างขึ้นมาด้วยความอยากต่างๆนี้เราต้องกำจัดความอยากด้วยการบาเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาด้วยการถือศีลแปขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สบเจ็ดศีลสามร้อยกว่า นีเป็นศีลที่จะคอยช่วยกําจัดตัณหาความอยากให้มันน้อยลงไปให้มันหมดไปเอาเวลามาบรรพณ์ศีลสมาธิปัญญากันดีกว่าอย่าไปเอาเวลาไปหาเงินหาทองแล้วก็เอามาซื้อซื้อข้าวซื้อของต่างๆ ต, ต, ตามความอยากที่จะทําให้เกิดภบเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่คือวิธีกําจัด ตามฉันท์ให้ออกไปให้หมดไปจากใจขั้นต้นเราก็เอาวันทํารักษาศีลแปในวันหยุดก่อนเช่นเราทํางานห้าวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์สมัยนี้วันพระมันไม่ตรงกับวันหยุดทํางานของเราเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวันพระของเราให้มาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ก็เป็นวันโกนวันอาทิตย์ก็เป็นวันพระ รักษาศีลแปดทั้งสองวันไปเลยตอนต้นก็เอาวันเดียวก่อนเมื่อรักษาได้วันหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็เอาสองวันกานต่อไปก็อาจจะขอลางงานอาทิตย์ละวันทําแค่สี่วันขอลดเงินเดือนลงไม่อยากขอยินดีให้ตัดเงินเดือนไปเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินถ้าเราเอาเวลามาบําเพ็ญเราจะไม่ต้องเราจะไม่มีเวลาไปใช้เงินกันงั้นเงินเดือนที่เราได้มันก็จะเหลือ ไม่เราไม่ต้องมีก็ได้เงินเดือนขอแลกกันขอลดเงินเดือนเพื่อเพิ่มวันหยุดอีกวันหนึ่งจากสองวันเป็นสามวันทำไปเรื่อยๆต่อจากนั้นก็ขอลดอีกวันหนึ่งขอลดเงินเดือนไม่ขอเพิ่มเงินเดือนแต่ขอลดเงินเดือนแต่ขอลดวันทำงานถ้าเขายินยอมก็ดีถ้าเขาไม่ ย, ยอมก็อาจจะหางานใหม่เสียหางานที่เรา สามารถเลือกวันทำงานของเราได้เช่นไปขายประกันไปขายเครื่องสำอางขายแอมวงแอมเวอะไรต่างๆอันนี้อยู่ที่เราเราอยากจะขา ย, ขายเมื่อไหร่ก็ขายได้วันไหนไม่อยากขายวันไหนอยากจะนั่งสมาธิบำเพญ็ญจิตตาภาวนาเราก็ทำได้ถ้าเราพอกินเราก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปทำหาเงินเพื่ออะไร ถ้าหาเงินมาเพื่อซื้อของตามความอยากต่างๆก็เป็นการมาซื้อพบชาติให้มันยาวมากขึ้นไปเท่านั้นเองซื้อความแก่ความเจ็บความตายให้มันมีมากขึ้นไปก็เท่ากับซื้อความทุกข์ดีๆนี่เอเราก็ไม่ไปหาเงินเพื่อแบบนี้หาเงินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอถ้าเงินไม่พอซื้ออาหารก็ไปหามาเสื้อผ้าก็มีอยู่แล้วเฟือ เสื้อผ้ามันไม่ต้องซื้อทุกวันทุกปีเหมือนกับอาหารเสื้อผ้าชุดหนึ่งนี้อาจจะใส่ได้เป็นสิปีกว่ามันจะขาดเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะไปซื้อมาใหม่อยู่เรื่อยๆมีแค่สองสามชุดก็พอแล้วสําหรับผู้ที่บําเพ็ญ จ, จิตตาภาวนานี้ไม่ได้สนใจกับเรื่องเสื้อผ้าไม่ได้สนใจกับที่อยู่อาศัยว่าจะต้องหรูหราต้องใหญ่โตต้องมีราคาแพง ขอให้มันหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่มีเงินซื้อก็เช่าไปก็พอตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่นีซื้อไปทําไมซื้อไปแล้วบ้านเวลาตายกลายเป็นของใครไปเอาเวลามาบําเพ็ญจิตตภาวนาดีกว่าเวลาตายไปนี้เอาผลของการบําเพ็ญติดตัวกับเราไปได้ถ้าได้สมาธิเราก็เอาสมาธิไปได้ถ้าได้ปัญญาเราก็เอาปัญญาไปได้ ถ้าได้มรรคผลผนิพพานเราก็เอามรรคผลนิพพานไปได้แต่บ้านนี้เราไปไม่ได้ เ, เสียเวลามาหาเงินเพื่อซื้อบ้านกันทําไมเช่าบ้านเขาอยู่ดีกว่าหรือถ้าเกิดได้บําเพ็ญแล้วจนบรรลุธรรมขึ้นมาก็ก็จะไม่อยู่บ้านอยู่ดีไปอยู่วัดดีกว่าไปอยู่วัดมันสงบกว่ามันสบายกว่าบําเพ็ญได้สะดวกรวดเร็วกว่า มีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนมีเพื่อนปฏิบัติธรรมคอยให้กำลังใจกันนี่คือวิธีกำจัดกามฉันทะที่พวกเราสามารถทำกันได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะทำกันหรือไม่เท่านั้นเองเรามีความยินดีในธรรมหรือเรามีความยินดีในกาม ถ้าเรามีการมาฉันทะเราก็จะไม่มีความยินดีในกรมถ้าไม่มียินดีในธรรมไม่มีความยินดีในรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงฉนั้นเราต้องพยายามสร้างความยินดีในรสแห่งธรรมให้ได้ยินดีในธรรมนี่ดีกว่ายินดีในกา้ายินดีในกามยินดีในกรรมก็เท่ากับยินดีในการเวียนว่ายตายเกิด ยินดีในธรรมก็เท่ากับการยินดีในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้คิดอย่างนี้แนละ้วเราก็จะได้ยินดีในธรรมเราก็จะได้ให้เวลากับการปฏิบัติธรรมนี่คือการกำจัดนิวรณข้อที่สองคือการมัฉันทะนิวรณข้อที่สามก็คือความง่วงเหงาหานอนหรือความเกียจคร้าน ความง่วงเหงาหานอนความเกลียดข้านี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปถึงแม้จะรับประทานมื้อเดียวหรือรับประทานไม่ไ ม, ไม่ไม่เกินเที่ยงวันแต่ถ้ารับประทานมากเกินไปมันก็ทําให้เกิดความง่วงเหงา ห, าหานอนได้เกิดความเกลียดคารได้อย่างที่เขาคุยกันเขาพูดกันว่าพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนกินข้าวอิ่มอิ่นี่นั่งสมาธินี่ มันจะสับประงกมันจะหลับกันนั่งแล้วง่วงกันหาวกันคิดแต่หมอนหาแต่หมอนวิธีกำจัดก็คือต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารให้น้อยลงอย่ารับประทานให้มันอิ่มรับประทานพอมันหายหิวก็พออย่าให้มันอิ่มพอรับประทานไปได้สักไม่กี่คาความหิวมันก็หายไป พอรู้สึกว่าความหิวหายไปก็หยุดรับประทานเอาน้ำมาดื่มแทนถ้า อ, อย่างนี้แล้วจะไม่จะไม่อิ่มมากแล้วพอจะไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมก็จะไม่ขี้เกียจจะจะถ้ากินอิ่มแล้วจะไม่อยากเดินจะไม่อยากนั่งมีแต่จะอยากนอนก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญเสียเวลาอุซา ลา ง, งานมาหรืออุตส่าห์ออกจากงานมามาบวชมาถือศีลแล้วแต่กลับมาเจอไอ้ตัวชอบกินนี่อยังสู้มันไม่ได้ยังอยากกินเห็นอาหารที่อร่อยถูกปากถูกใจ ก, ก็กินแบบไม่หยุดทั้งๆ้ที่ททร่างกายบอกว่าพอแล้วอิ่มแล้วอแต่ความอยากนี้มันไม่ยอมหยุดเราก็ต้องใช้มาตรการบังคับมันถ้ามันกินมากเกินไปก็ ดัดนิสัยมันอยากกินเลยก็ได้มื่วันนี้กินมากพรุ่งนี้กูไม่ให้มงกินถ้ามึงไม่อยากกินมากก็พรุ่งนี้กินได้เลือกเอาจะเอายังไงถ้ากินมากมากพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องกินหรือไม่ต้องกินสักสามวันก็ได้ไม่ตายรับรองได้ตัวที่จะตายก็คือกิเลสความอยากกินนี่พอมันอยากกินแล้วมันไม่ได้กินต่อไปมันก็ไม่อยากเอง ต่อไปทุกครั้งที่มันอยากเราก็ทรมานมันอย่าให้มันกินทุกครั้งที่มันอยากกินมากๆก็อย่าให้มันกินแล้วต่อไปมันก็จะไม่กล้ากินมากๆมันจะกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอกินเพื่อดับความหิวไม่ได้กินเพื่อความอิ่มหนำสำราญใจเพื่อความสุขใจกินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไป ไม่ให้เกิดความง่วงเหงาหาวนอนไม่ให้เกิดความเกลียดข้านขึ้นมานี่ก็คือวิธีหนึ่งก็ ค, คือการลดปริมาณการรับประทานอาหารลงไปหรือการอดอาหารถ้ามันยังง่วงลดแล้วมันยังง่วงอยู่ก็ต้องอดเลยอาจจะอดครั้งละวันสองวันสามวันสี่วันก็ได้ถ้าอดแล้วมันจะไม่ง่วงมันจะหิวแล้วมันจะตื่นมันก็พร้อมที่จะบาเพ็ญ พร้อมที่จะนั่งสมาธิเพราะว่าถ้าไม่นั่งสมาธิความหิวมันจะทรมานใจความหิวนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความหิวของใจไม่ใช่เกิดความหิวของร่างกายที่ทรมานนี้ไม่ได้ทรมานเพราะความหิวของร่างกายแต่ทรมานเพราะความหิวของใจความอยากที่จะรับประทานถ้าเราบำเพ็ญจิตตภาวนาจเจริญสติควบคุมความอยากนี้ได้ พอจิตสงบลงความอยากหายไปความอิ่มใจก็โผล่ขึ้นมาความอิ่มใจที่เกิดจากความสงบของใจนี้จะทําให้หายหิวเลยจะให้รู้สึกว่าความหิวของร่างกายนี้เพียงหวิวหิวเท่านั้นมีอาการเล็กๆน้อยๆไม่รบกวนใจเหมือนกับความหิวที่เกิดจากความอยากของใจที่ได้ระงรับลงไปด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิ การอดอาหารก็เลยได้ผลประโยชน์สองอย่างหนึ่งกำจัดความง่วงเหงาเหานอนความเกลียดค้านแล้วก็ทําให้ได้บําเพ็ญจิตตภาวนาทําให้ได้สมาธิขึ้นมาเพราะปกติถ้ารับประทานอาหารอิ่มแล้วก็จะคิดถึงแต่หมอนหาหมอนจะไม่อยากจะภาวนาจะไม่บําเพ็ญจะนอนก่อนนอนแล้วพอตื่นขึ้นมาก็งงเงย ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะภาวนามีแต่ความอยากอยากจะไปหาอะไรมารับประทานต่อรับประทานอาหารไม่ได้ก็ไปเอาหาสมอบ้างหาขนมนมโดยที่อนุอญาตเช่ น, น้อยกวนบ้างเนยเคลเนยใสน้ำอ้อยน้ำตาล น, น้ำพึ่งอะไรต่างๆแบบ น, นี้ก็ยังมาติดอยู่กับการดื่มการรับประทานอยู่ ไม่ได้ไปภาวนาไม่ได้ไปบำเพ็ญจิตตภาวนาดังนั้นผู้ที่จ่อมการที่จะสู้กับกิเลสนิวรชนิดนี้ต้องมีความกล้าหาญต้องไม่กลัวตายต้องไม่กลัวความหิวยอมสู้กับความหิวเพื่อที่จะได้ไม่ให้ง่วงนอนแล้วก็ใช้สติกำกับควบคุมใจให้หยุดคิดถ้าหยุดคิดเมื่อได เมือม่อเมือม่อเมื่อใดจิตสงบเมือ่อใดความหิวที่เกิดจากความอยากของใจงก็จะอันตรธานหายไปแล้วความอิ่มก็จะเข้ามาแทนที่ความสงบเข้ามาแทนที่ก็จะภาวนาได้ผลภาวนาแล้วได้ความสงบนี่คือประโยชน์ในการแก้ความว่่งเหงาเหง า, หานอนความเกลียดคา้านด้วยการอดอาหารหรือผ่อนอาหาร เพราะมันจะบังคับให้เราต้องบำเพ็ญต้องนั่งสมาธิกันเพื่อทำใจให้สงบเพราะถ้าไม่ทำใจให้สงบแล้วมันจะทรมานว่ามันจะคิดถึงแต่อาหารอยู่เรื่อยๆจึงต้องบำเพ็ญต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบนะพอใจสงบแล้วความอิ่มก็กลับมาความอิ่มใจก็มาความผิวทางร่างกายก็ไม่สู้ความอิ่มใจไม่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องกินก็ได้ พระพุทธเจ้าสามารถอดกยายอาหารได้ถึงสี่สิบเก้าวันเพราะพระองค์มีสมาธิมีความอิ่มใจท่านไม่เดือดร้อนกับการอดอยากขาดแคลนของร่างกายร่างกายนี้เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ใจก็ยังอิ่มอยู่เพราะมีสมาธิแต่มันจะอิ่มเฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมากิเลสความอยากมันก็ผลขึ้นมาอีก ความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายต่อให้อดอาหารจนร่างกายตายไปกิเลสมันก็ไม่ตายไปกับร่างกายกิเลสมันจะตายก็ต้องตายด้วยปัญญาเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องเลือกอดพระกาอาหารแล้วหันมาเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้เอามาฆากิเลสก็ทรงค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสชอบที่กิเลสอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขะ การกินมากๆ ม, มันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นทุกข์มันสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้กินแล้วก็ต้องมาทุกข์กับปัญหาของทางร่างกายร่างกายก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บอายุก็จะสั้นและเวลาไม่มีกินก็จะทุกข์ทรมานนี่พอเห็นอย่างนี้ก็ตก็เลิกความอยากกินได้กินเท่าที่จำเป็นกินเท่าที่เหมือนกับการกินยาถ้ายังไม่ถึงเวลากินก็ไม่กิน นล้กินก็ไม่กินให้มากกินพออยู่ได้ก็พอไม่ได้กินเพื่อความอยากไม่ได้กินเพื่อความสุขทางใจการใช้ปัญญาแบบนี้ก็จะสามารถฆ่ากิเลสที่อยากกินอาหารต่างๆอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นี่สำหรับผู้ที่มีความกล้ า, าหาญที่จะอดอาหาร ถ้าไม่มีความกล้าหาญอดอาหารก็ต้องมีความกล้าหาญที่จะไปอยู่ในที่เปลี่ยวที่น่ากลัวเช่นไปบำเพ็ญอยู่ในป่าช้าหรืออยู่ในป่าลึกที่มีสิงสาราสัตว์มีภัยไรต่างๆรอบด้านถ้าไปอยู่ในที่เหล่านั้นมันก็จะไม่ง่วงนอนมันจะมีความระวัตระวังมีความตื่นตัวตลอดเวลาเพราะมันไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาทาลายชีวิต มันก็เลยต้องมีความระมัดระวังมีสติขึ้นมาอันนี้ก็นั่งสมาธิก็จะไม่ง่วงนอนก็จะขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือถ้าไปอยู่แล้วมันยังง่วงอยู่บางท่านก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าผาเลยถ้ามันสับประง ก, ก็ให้มันหัวทิ่มลงไปในเหวเลยถ้านั่งอยู่ที่หน้าผาแล้วมันก็จะไม่กล้าสับประงกมันก็จะตื่นตัวตลอดเวลาไม่ง่วงนอน นี่คือการกำจัดนิวรันคือความง่วงเหงาหาหนอนต่างๆด้วยการอดอาหารด้วยการไปอยู่ที่น่ากลัวไปอยู่ที่มีพิษภายรอบด้านจนอยู่ในป่าช้ามีผีรอบคอยมาคอยกวนใจหรือไปอยู่ตามป่าลึกที่มีสิงสารสัตว์ต่างๆจะทำให้มีสติทำให้ตื่นตัวจะไม่ง่วงนอน นี่เป็นการแก้นิวอนข้อที่มีความง่วงเหงาหงานอนมีความเกียจคร้านข้อที่สี่ก็คือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็เกิดจากความคิดคิดไม่หยุดไม่หย่อนเพราะไม่มีเบรกหยุดความคิดนั่นเองก็จำเป็นที่จะต้องสร้างเบรกขึ้นมาเบรกที่เราจะใช้หยุดความคิดก็คือสตินี่เอง ถ้าเราไม่มีสติหยุดความคิดเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่เรารู้และง่ายที่สุดก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพุทโธพุทโธไปถ้าเราระลึกถึงพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยเรืเร่เราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ระลึกปั๊บมันก็จะไปคิด คิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงเงินคิดถึงทองคิดถึงปัญหาต่างๆคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดถึงสิ่งต่างๆก็จะทําทให้เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาก็จะทําให้ทําใจให้สงบไม่ได้มันฟุ้งอยู่กับความคิดจึงต้องหัดเจริญสติอยู่เรื่อยๆตื่นขึ้นมาก็ให้พุโทโธไปเลย ทั้งวันไม่ว่าทำอะไรก็มีพุโทโธกำกับไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นถ้าจะคิดก็คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเรากำลังทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำก็ได้ อ, อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรามีสติคอยกำกับใจไม่ให้คิดความฟุ้งซ่านก็จะไม่เกิด ความฟุ้งซ่านเกิดจากความคิดมากเกิดจากการที่เราไม่มีเบรกหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรานั่เล็กถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นเรางเล็กถึงพุทโธพุทโธไปหรือเราลึกถึงความตายไปก็ได้คิดว่าต้องตายเกิดมาแล้วต้องตาย คนนั้นก็ต้องตายคนนี้ก็ต้องตายหรือท่องคําว่าตายตายตา ย, ตายไปก็ได้หรือจะอยู่กับอาการใดอาการหนึ่งของร่างกายก็ได้เช่นโครงกระดูกก็เรานึกถึงโครงกระดูกอยู่เรื่อยๆหรือจะสวดมนต์ไปก็ได้อันนี้ก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาเพื่อยับยั้งความคิดต่างๆพระที่บวชนี้ท่านมักจะนิยม ใช้การสวดพระปาฏิโมกข์คือสีเ227ข้อซึงจะ ต, ต้องใช้เวลาสวดประมาณ40นาทีหัดสวดแล้วคอยสวดอยู่เรื่อยๆคอยท่องอยู่เรื่อยๆแล้วจะไม่มีเวลาไปคิดให้ฟุ้งซ่านขึ้นมานี่คือวิธีกำจัดความฟุ้งซ่านนิวร อ, อุปสรรคข้อที่สี่อุปสรรคข้อที่ห้าก็คือความโกรธความไม่พอใจ อันนี้ก็เกิดจากความอยากของใจนี่นแหละเช่นเวลานั่งสมาธิอยากให้สงบแต่ไม่มีสตินั่งเท่าไหร่มันก็ไม่สงบก็เกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็อาจจะไปโทษคนนั้น ค, คนนี้ว่ามารบกวนคนนั้นทำให้เสียงดังคนนั้นทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็เราไปโกรธเขาความจริงมันเกิดจากความอยากของเราอยากให้สงบ แล้วมันไม่สงบก็เลยโกรธไม่พอใจความอยากต่างๆนี้จะทําให้เราไม่พอใจเวลาที่เราไม่ได้ดังใจอยากดังนั้นเราต้องมาหัดหยุดความอยากกันอยากอยากจะได้อะไรอยากให้สงบก็เจริญสติไปสิเจริญเหตุที่จะทําให้มันสงบไปอยากไปนั่งอยากนั่งอยากเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันสงบได้ มันจะสงบก็ต่อเมื่อเรามีสติอยู่กับพุทโธมีพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็จะสงบลงเองแต่อย่าไปนั่งอยากอยากเท่าไหร่มันก็จะไม่มีวันสงบได้ต้องพยายามลดความอยากวิธียาลดความอยากก็ให้ใช้มักน้อยสันโดดให้ความต้องการเพียงน้อยๆต้องไม่ต้องการอะไรมากต้องการในสิ่งที่จําเป็นจริงๆ สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นจะต้องมีก็ไม่ไม่ต้องไปมีมันให้มักน้อยหรือให้สันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดตอนนี้เรามีอะไรก็ให้พอใจกับสิ่งที่เรามีได้อะไรมาก็ให้ยินดีกับสิ่งที่เราได้รับมาเหมือนเวลาพระไปบิณฑบาตนี้ท่านใช้ความมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดญาติโยมจะใส่อาหารอะไรมาก็ รับไปพอใจขอให้มีกินก็พอแล้วดีกว่าอดตายดีกว่าไม่ได้กินส่วนจะได้กินอะไรนั้นไม่สำคัญเรียกว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดมากน้อยก็เอาถ้าพอที่จะกินเท่านั้นมีมากกว่านั้นก็สละไปไม่เก็บเอาไว้ไม่หวงไม่สะสมอะไรหากทาใจให้เป็นผู้มากน้อยสันโดษ แล้วความไม่สบายใจความไม่พอใจความโกรธมันจะน้อยลงไปแล้วมันจะไม่มาเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนาของพวกเรานี่คืออุปสรรคต่างๆที่จะมาคอยกีดขวางการบําเพ็ญการปฏิบัติที่จะทําให้เราไม่สามารถบรรลุถึงผลอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงกันได้ เราต้องพยายามกำจัดอุปสรรคเหล่านี้คือความลังเลสงสัยความยินดีในการที่จะเสพการ์ารมฉันทะความง่วงเหงาหงนอนความเกียจคร้านความฟุ้งซ่านแล้วความไม่พอใจความโกรธความไม่พอใจเราต้องศึกษาวิธีที่จะ มาแก้อุปสรรคเหล่านี้ถ้าเราแก้อุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะไม่สามารถบำเพ็ญได้เมื่อเราไม่สามารถบำเพ็ญได้เราก็จะไม่สามารถได้ผลที่เกิดจากการบำเพ็ญเกิได้บรรลุมากผลนิพพานได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยสมพูตปฏิบัติ ทุกคนสามารถกำจัดได้อยู่ทีเ่เรารู้หรือเปล่าแล้วมีความกล้าหาญที่จะใช้วิธีมาตรการต่างๆมากำจัดมันหรือไม่เท่านั้นเองผู้ปฏิบัตินี้ต้องเป็นผู้กล้าตายผู้ที่ยอมตายดังที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเสมอว่านิพพานอยู่ f ้าตายถ้าไม่ยอมตายก็ไปไม่ถึงพระนิพพาน เาะจะไปถึงพระนิพพานได้นี้มันต้องผ่านความตายไปก่อนมันต้องยอมตายมือนถึงจะไปได้ผู้ที่ยังกลัวตายอยู่นี้ก็จะต้องกลับมาเกิดมาตายอยู่เรื่อยๆแต่ผู้ที่ไม่กลัวตายนี้ก็จะตายเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นคือชาตินี้หลังจากนั้นก็จะไม่กลับมาเกิดมาตายอีกต่อไปกันความกลัวความกล้าตายนี้ไม่ได้เป็นของของเลวร้วายแต่เป็นของดี พ่าจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาตายซ้ำแล้วซ้ำอกีกแต่ความกลัวตายนี่แหละมันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาตายอยู่เรื่อยๆเพราะความกลัวตายก็คือความอยากอยู่นั่นเองเมื่อมีความอยากอยู่พอรา่างกายมันไม่มีมันก็ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะมันยังอยากอยู่ต่อก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ผู้ที่ยอมตายนี่แสดงว่าไม่อยากไม่ต้องการจะอยู่แล้วไม่ต้องการมีร่างกายอันนี้ พอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่กลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะเห็นว่าการมีร่างกายก็ต้องมีความตายตามมาเสม อ, องั้นจะไปหวงร่างกายไปกลัวตายทาไมกลัวมันก็ตายไม่กลัวมันก็ตา ย, ตายแต่ความไม่กลัวตายจะทำให้หลุดพ้นจากการมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันจบสิ้นดังนั้นผู้ที่จะบาเพ็ญให้เกิดผลจริงๆนี้ต้องยอมตายกันต้องกล้าตาย แต่ไม่บ้าบิ่นหมายความว่าไม่ไปกระโดดให้รถยนต์ชนตายอันนี้ไม่ใช่กล้าตายแบบนั้นแต่ให้กล้าตายในการที่จะใช้มาตรการมากาจัดนิวรณต่างๆเช่นการอดอาหารไม่ต้องกลัวตายการถือศีลแปดไม่ต้องกลัวตายถือศีลแปดแล้วรับรองได้ไม่ตายไม่กินอาหารเย็นแล้วไม่ตายไม่ต้องกลัวบางท่านเวลา ถือสินแต่ก็มามีปัญหาว่าต้องกินต้องกินยาตอนเย็นต้องกินกับอาหารเย็นนี่ก็อย่าไปกลัวตายใช่ไหมไม่ต้องกินมันก็กินแค่สองมื้อก็กินแค่ยาแค่สองครั้งก็พอแล้วกินของมื้อของมื้อเย็นรวมกับมื้อกลางวันไปก็หมดเรื่องมันไม่หายก็ช่างมันเพราะมันยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีรักษามันดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดีแล้วถ้ากลัวตายมันก็ปฏิบัติไม่ได้ ยังต้องไม่กลัวตายต้องยอมตายเท่านั้นถึงจะสามารถกําจัดอุปสรรคต่างๆที่คอยกีดขวางการบําเพ็ญการบรรลุธรรมนี้ถ้ายังกลัวตายอยู่ก็ไม่มีวันที่จะสามารถบําเพ็ญได้นี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตส า, าวกทั้งหลาย คิดดูพระพุทเจ้าอดทกษอาหารถึง40 49วันนี้ท่านกลัวตายหรือท่านกล้าตายถ้าท่านกลัวตายท่านจะกล้าอดอาหารถึง49วันเลยแต่ความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้ทําให้พระองค์ไม่กลัวตายแล้วพระองค์ก็รู้ว่าอย่างไงมันก็ต้องตายอยู่ดีกลัวตายก็ตายไม่กลัวตายก็ตาย แต่ไม่กลัวตายนี้มีโอกาสที่จะบรรลุได้มีโอกาสที่จะไม่ต้องกลับมาตายซ้ำน้ำซ้าอีกได้เนี่ฉะนั้นผู้ที่ยอมตายนี้จะเป็นผู้ที่ได้กำไรไม่ได้เป็นผู้ขาดทุนเพราะจะเป็นผู้ที่ได้พระนิพพานผู้จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปผู้ที่กลัวตายนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องกลับมาตายซ้ำน้ำซ้าอีกอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบสิ้ น, น ดังนั้นถ้าเราอยากจะบาเพ็ญให้ได้ผลเราต้องเอาพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเป็นตัวอย่างท่านเหล่านี้ไม่มีองค์ไหนที่มีความกลัวตายเลยรับรองได้ทุกทกองค์ลองไปคุยกับพระอริยสงฆ์องค์ไหนว่าท่านกลัวตายไหมท่านยอมตายหรือไม่ท่านกล้าไปอยู่ในสถานที่ที่พวกเราไม่กล้ากันไปกันหรือไม่คุยได้กับทุกองค์เลยว่าองค์ไหนบ้างที่มีความกลัวตาย ถ้ามีความกลัวตายมันไปถึงนิพพานไม่ได้นั่นเองคนที่ไม่กลัวตายเท่านั้นถึงจะไปถึงพระ น, นิพพานได้ฉั้นขอให้เราเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเรื่องของความไม่กลัวตายนี้ไม่ใช่เป็นของเวลวร้ายแต่เป็นธรรมอันวิเศษเป็นอาวุธอันวิเศษที่จะมาทําลายนิวรณ์ต่างๆให้หมดไปจากใจที่จะมาทําลายกิเลสตัณหาต่างๆที่ฉุด拉จิตใจให้เวียนว่ายตายเกิดให้มันตายหมดไปจากใจของเรา ว่าใจของเราจะได้เป็นอิสระจะได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ไปอยู่ในที่มีแต่บรล ม, มัสุขคือพระนิพพานการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะไม่ไม่ตอบปัญหาอีกตอ่อไปฉังนั้นถ้าใครอยากจะถามขอให้ถามใ่ช่วงนี้ได้เลยเดี๋ยวถ้าไม่มีใครก็จะให้อเอาคำถ า, ถามทางบ้านมาถามก่อนคำถามฝากถามค่ะมีลูกสาวหญิงคนหนึ่งเป็นคนคุ้นเคยกัน เขาจะมาช่วยดูแลทำความสะอาดช่วยงานบ้านแต่ตอนนี้ไม่ได้เจอกันลูกสาวเป็นคนกะตันยูแต่สามีเป็นคนญี่ปุ่นและย้ายไปอยู่กับสามีที่ญี่ปุ่นนานๆจะกลับมาไทยเพื่อมากินอาหารไทยเจอเพื่อนเจอญาติรอบนี้เธอกลับมาพร้อมลูกชายวัยสาสี่ขวบเมื่อต้นเดือนตุลาคมเธอดำเนินชุดแบบเดิมคือเจอเพื่อน กินดื่มในกรุงเทพแล้วมหานาชาัยที่ศรีราชาแต่รอบนี้เธอโชคร้ายไปเจออาหารทะเลมีฟอร์มาลีนเธอแพ้มากรักษาตัวด้วยความทรมานโพส ส, สุดท้ายของเธอเมื่อ29ตุลาเธอโพสว่าเธอแพ้อาหารอย่างแรงต้องพักรักษาตัวเป็นเดือนเรื่องราวผ่านไปมีโพสใน Facebook เธอคือเธอ เสียชีวิตแล้วเธอคนนี้เมื่อมีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้เธอจดสอบถามแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเราเสมอเราไม่ได้ผูกพันอะไรกับเธอมากแต่รู้เรื่องราวเธอมากรู้ว่าแม่เธออาศัยเธอให้ค่าเลี้ยงดูลูกเธอฉลาดและน่ารักจตพอรู้ว่าเธอตายเราภาวนาจะเห็นแต่เรื่องราวของเธอของแม่และลูกเธอเพราะสงสารพวกเขามากรู้ทั้งรู้ไตรักดินน้ําลงไฟ แต่กำลังสติไม่พอกำลังสติไม่พอจะวางใจอย่างไรค ะ, ะก็ต้องสร้างสติขึ้นมาต้องพยายามหันพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเขาถ้าไม่คิดถึงเขาใจก็จะสงบก็จะสบายมีคำถามเดียว ถ, ถ, ถึงสอนบอกให้หัดฝึกสติกัน ให้หัดพุทธโธกันอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาจะใช้พุทธโธจะได้ใช้ได้ถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาจะใช้พุทธโธจะใช้ไม่ออกคำถามแรกจากไลทธรรมะบนข่าชีโอนนะครับขอโทษก่อนค่ะคือว่าชาตินี้โดนขืนใจต้องเลี้ยงลูกตั้งยี่สิบสี่ปีคนเดียวพอมารู้ว่าอดีตชาติเราเคยทำเขา เราเลยมาชดใช้ถามว่าถ้าเราขอขมาเราจําเป็นต้องไปขอที่ตัวคนนั้นไหมคะก็เขามาชดเราก็ชดใช้ไปแล้วเราทำไมต้องไปขอขมาเขาด้วยขอขมาเขาจะให้ขมาหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งไปขอขมาถ้าเขายังไม่ให้ขมาเขายังจะให้เราชดใช้เราก็ต้องชดใช้ต่อไปอยู่ดี ยนันก็เตรียมตัวเตรียมใจชดใช้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันไม่ต้องไปขอเข้ามาให้มันเสียเวลาคำถามต่อไปจาก Facebook l ล v e นะครับจากคุณนัชยานัชดาสวดอโหสิกรรมและสวดแผ่เมตตาหลังจากสวดบนทุกวันเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เราเคยทำไม่ดีกับเขาหรือเขาทำไม่ดีกับเราไว้นั้นจะลบล้างกันได้ไหมคะเขาจะอโหสิกรรมให้เราไหมคะ กรรมที่ไม่ดีจากอาโหสิกรรมให้เราไหมอ๋อการส่วนนี้มันไม่ได้ไปรบล้างอะไรถ้าเราอยากจะให้เขาให้อภัยเราเราก็ต้องไปขอกมาจากเขาเวลาเจอเขาไม่ใช่ไปขอกมาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราขอกมาเราก็ต้องไปขอกมาต่อหน้าเขาถ้าเขาให้อภัยมันก็จบ ถ้าเขาไม่ให้อภัยเขาจะว่ายัางไม่พ อ, อยังต้องชดใช้ต่อกต้องชดใช้ต่อไปคำถามต่อไปจากคุณรักเรศนะครับมีสองคำถามผมอ่าณรอบเดียวเลยนะครับการปรารถนาพุทธภูมิในปุุชนคนธรรมดาสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่และการปรารถนาพุทธภูมิเพื่อการครองตัวครองตนในสิ่งละธรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่ คือความปรารถนาพุทธภูมิก็เหมือนความปรารถนาที่อยากจะเรียนจบปริญญาคง้ายใครๆก็ปรารถนาได้ทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นค า, าวะไม่มีไม่ไม่มีการห้ามอยู่ที่ว่าเมื่อเรามีความปรารถนาแล้วเราจะทำตามที่เราปรารถนาหรือไม่ถ้าเราอยากจะไปพุทธภูมิเราก็ต้องบาเพ็ญบารมีสิประการเช่นทานบารมีศีลบารมีเนข ม, มะบารมี ถ้าเราบำเพ็ญได้สักวันหนึ่งเราก็จะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าได้และขณะที่เราบําเพ็ญเราก็ยังสามารถบําเพ็ญชีวิตปกติของเราได้อยู่เช่นการทําทานบา ร, รมีนี้ก็ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องไปบวชเราก็ทําทานไปศีลเราก็รักษาได้ในขมมะเราก็ถือได้งั้นมันมันก็ไม่ขัดกัน นอกจากว่าเราต้องการทำให้มากทำให้เร็วทำมันก็อาจจะต้องขัดกันเช่นถ้าเราอยากจะแบกบำเพ็ญไบบวชอย่างเต็มที่นี้เราก็จะดำรงชีพดรง ช, ชีวิตของคารวะ ต, ต่อไปไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่จากการเป็นคารวะไปสู่เป็นเป็นนักบวชไปคาถามต่อไปจากคุณธนาธรครับกับผมตอนทำงา น, นที่โร<ล>ง<ป>งานขยัน แต่พอทําแต่พอกลับมาถึงบ้านเหมือนหมดแรงกินข้าวแล้วจะนอนอย่างเดียวบางทีน้ําก็ไม่อาบนอนเลยถ้าผมจะนําจิตมาเป็นคนขยันเมื่อถึงบ้านให้จิตนี้กินข้าวแล้วอาบน้ําแล้วสวดมนต์ปฏิบัติทำต่อควรใช้มาตรการใดมาปฏิบัติครับก็ต้องบังคับตัวเองอย่าปล่อยให้ใจโลเลกําหนดตารางกําหนดเวลาว่าจะมาถึงบ้านปับ๊บอาบนอนปับ๊บกินข้าวปับ๊บ นั่งสมาธิต่อเลยไม่ไปทะเลถลายเปิดทีวีดูไปทำอะไรอย่างอื่นต้องมีความเข้่งคัดเข้มงวดกวดขันต่อการกระทาต่อความคิดของตนถ้าไม่มีความเข้มงวดกวดขันเดี๋ยวก็โลเลยเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำตามที่เราตั้งใจยังต้องฝึกขัดให้เป็นคนมีวินยัยคำถามจะก ผ, ผู้ฝากถามครับ ขอสอบถามวิธีไม่ให้นำตัวเองไปผูกกับบุคคลอื่นที่เราจะมีความสุขก็เพราะเขาเขาทำไม่ดีเราก็ทุกจะหักใจไม่สนใจอย่างไรก็แสนยากค่ะก็อย่าไปสนใจดึงใจกลับมาให้อยู่กับเราใช้พุโทโธพุโทโธดึงกลับเข้ามาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเอาว่ามา คำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาครับถ้าเราไม่ได้ไปสู่นิพพานแล้วที่เราปฏิบัติในชาตินี้ชาติหน้าเราก็ต้องมาเริ่มใหม่อีกหรือครับพระอาจารย์ อ, อ๋อไม่หรอกเราทําอะไรได้เราก็ทําต่อทาเคยรักษาศีลหน้าได้แล้วก็ไปรักษาศีลห้าต่อได้เลยรักษาศีล8ได้ก็ไปรักษาศีล8ต่อถ้าบวชได้เข้าหน้ากรรมมาเกิดใหม่ก็ไปบวชต่อได้เลยยัง การปฏิบัตินี้จะไม่สูญหายไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเราย้ายโรงเรียนย้ายที่อยู่เราเรียนจบปสามแล้วเราไปย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเราก็ไปต่อปสี่ได้เลยไม่ต้องไปเริ่มปหนึ่งใหม่ไม่เหมือนกับการมาหาเงินหาทองนี่กลับมาต้องเริ่มต้นใหม่เช่นําเป็นเศรษฐีในชาตินี้ตายไปกลับมาเกิดชาติหน้ามาเป็นขอทานเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่มาหาเงินหาทองใหม่ ถ้าไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็เอาเงินฝากไว้ในธนาคารบุญก่อนจะตายอก่อนจะไปก็เอาเงินไปทําบุญให้หมดพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเกิดเป็นเศรษฐีต่อเพราะเรามีเงินฝากไว้ในธนาคารบุญคําถามต่อไปจาก facebook live นะครับจากคุุชนาตการที่พ่อแม่ทํากรรมแล้วคนที่เป็นลูกต้องรับผลกรรม ผลกรรมนั้นด้วยไหมคะในฐานะที่เป็นทายาท อ, อ๋อกรรมหนักใครทําก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนอกจากเป็นกรรมผลที่เป็นผลพลอยได้เช่นพ่อแม่ไปทําคอร์รัปชันร่ํารวยเราก็สุขสบายไปกับความร่ํารวยของพ่อแม่พอพ่อแม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางยึดทรัพย์ไปก็เราก็ยากจนตามพ่อแม่ไปแต่มันไม่ได้เป็นกรรมของเรามันเรียกว่าเป็นของพ่อ เป็นผลพลอยได้เราที่ไม่ได้เกิดจากการกระทาของเราทั้งส่วนที่บวกและส่วนที่ลบ ก, นะก็คือเวลาพ่อแม่รวยเราก็อยู่อย่างสุขสบายกับพ่อแม่พอพ่อแม่ถูกจับยึดทรัพย์ตุบขังคุกขังตารางเราก็กลับมายากจนเหมือนกับพ่อแม่แต่เราไม่ได้เป็นกรรมที่เราทำเองอยากจะถามอะไรเลยนะ การเรยนภาราจานค่ะนุมีสองคำถามค่ะปกติเวลาไปทํางานเราก็เ อ, อแต่งหน้าทาครีมทํามทผมแต่เวลาอยู่บ้านเวลามานั่งสมาธิทําภาวนาเวลาจิตที่มันดิ่งลงไปนี้มันเหมือนไปจุดที่สะพานแล้วก็ไม่เห็นกายานุสติหมายถึงว่าเพ่งดูในกายในของตัวเองอ่ะกับไม่เห็นนะคะเป็ น, พนเพราะอะไรค่ะก็ไม่ต้องการให้เห็นไงเวลานั่งนะสมาธิต้องการให้มันว่าง ถ้จิตสงบแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความว่างค่ะแล้วหนูอยากทราบว่าหนูก็ไม่ได้ก็บอกตัวเองว่าไม่สงสัยในพระธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อมันสุดอยู่ตรงนั้นก็ให้มันสุดแต่อยากได้อุบายทําว่าเออเมื่อมันสุดอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วมันแค่เกิดคาถามที่ว่าแล้วมันจะยังไงต่อคะอะไรสุดตรงนั้นลมหายใจเนี่ยที่มันดิ่งลงไปหนูมีความรูกว่า มันดิ่งลงไปจนมันนิ่งอะค่ะแต่ว่าก็บอกตัวเองว่าแม้แต่ไม่มีลมหายใจแล้วนั่นกับว่ามันสุดสุดอยู่ตรงนี้แล้วมันตันนะคะอก็กินข้าวอิ่มแล้วจะให้ทําอะไรต่อะเวลากินข้าวอิ่มแล้วจะให้ทําอะไรก็หยุดกินไก็อยู่กับความอิ่มไปจนกว่ามันจะหิวขึ้นมาใหม่ก็กินใหม่นั่งสมาธิจนจุดจิตมันสงบนิ่งนะมันก็มันก็อิ่มแล้วมันก็หมดหน้าที่ต้องทําอะไรแล้ว ก็ปล่อยให้มันอิ่มไปจนกว่ามันจะไม่อิ่มก็ทําใหม่ต่อไปแต่ว่าในขณะทําสมาธิเ อ, อเคยฟังทำมาแล้วท่านก็จะบอกว่าเมื่อใดที่จิตเรามันมีความปิดติมันก็จะเป็นกําลังใช่ไหมคะอ่าเป็นกําลังหรือเปล่าแต่ตอนทํามันไม่เป็นแล้วอะคะ่ะไม่เป็นยังไงคือพิจารณาแล้วว่าใจนี้มีความอุเบกขาไหม มีความปิติไหมมีความอยากได้ไหมกับไม่ไมีอะค่ะมันเฉยๆค่ะเออเฉยๆก็ดีอะอยากแล้วมันวุ่นไหมนะเวลาอยากมันสบายแล้วเวลาไม่อยากมันสบายกว่าเราต้องการความสบายใจมันก็ต้องไม่อยากมันก็ต้องเฉยๆเป็นอุบเบกขาไปออขอบคุณค่ะคำถามต่อไปจากคุณครูนะครับเ c สบุ๊กไลฟ์ ลักษณะของจิตที่รวมเป็นอย่างไรคะก็เหมือนกับเวลาที่เรายกราแบกของหนักแล้วเราเอาของหนักวางลงเรารู้สึกเบาขึ้นไหมสบายขึ้นไหมเวลาจิตรวมมันก็จะเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจความวุ่นวายความกังวลใจความหนัก อ, อกหนักใจต่างๆก็จะหายไปหมดคำถามต่อไปจากคุณ น, นันทะ มีคำถามเกี่ยวกับช่วงเวลาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีที่จะบรรลุได้จะสามารถบรรลุได้โดยไม่ต้องบวชหรือไม่จะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้มันจะอยู่ที่การปฏิบัติมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามันก็บรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวะเป็นนักบวชเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ไม่ได้อยู่ที่การบวชหรือไม่บวช แต่การบวชมันจะทำให้มีเวลาได้บําเพ็ญมากกว่าเวลาไม่ได้บวชถ้าไม่ได้บวชแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำงานก็เหมือนกับบวชคนที่ไม่ได้บวชแต่ไม่ต้องทำงานมีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่ก็เหมือนกับได้บวชคืออยู่ที่เวลาของการปฏิบัติว่ามีเวลาได้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรที่บวชกันเพราะว่าจะได้มีเวลาปฏิบัติได้มากกว่าเพราะเป็นคารวะก็มีงานต้องทามีภาระอย่างอื่นต้องดูแล มันก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติเท่ากับเวลาที่ไปบวชแต่ถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติมันก็สู้คนที่ไม่ได้บวชแต่ปฏิบัติไม่ได้สมัยนี้พระบวชกันแล้วไม่ปฏิบัติกันเยอะแยะไปใช่ไหมมานั่งสวดกันมาบุญบางสังสวดกันอันนี้นไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเวลามาสวดศพสวดอดสวดมนให้ญาติโยมสวดอะไร สังฆทานบุญบางสังส่วนนี้ไม่ได้เรียกเป็นการปฏิบัติการปฏิบัติมันต้องไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาไปฟังเทศฟังธรรมอันั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติอยงั้นถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติมาบุญบางสังส่วนมันก็สู้คนที่ไม่บวชแต่เจริญศีลสมาธิปัญญาอยู่ดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การบวชแล้วไม่บวชอยู่ที่การได้มีเวลาได้ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือไม่ ถ้ามีเสียงสมาธิปัญญาก็บรรลุได้คำถามต่อไปจากคุณจอยครับเนื่องจากแม่ข้าพเจ้าโกรธพ่อมากจึงขออย่าในวงเล็บเรื่องผู้หญิงแต่พ่อไม่อยากอย่าทำยังไงให้ท่านหายโกรธคะก็ให้ท่านทําลยมันเราทําไม่ได้เขาโกรธเนี่ยเขาก็ต้องมหยุดเองความโกรธอยู่ที่ตัวเขาวิธีทําให้เขาหยุดโกรธก็มีสองวิธี วิธีนึงก็พุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องของพ่อเรื่องของที่เขาทํามามันก็ผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันพุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่คิดถึงมันมันก็หายโกรธได้หรือถ้าจะคิดค้างคิดถึงตอนที่พบกันตอนคิดถึงความดีของเขาที่เขาดีกับเราเขาทาอะไรต่างๆให้กับเราคิดถึงความดีของเขาก็อาจจะทําให้เราเอภัยให้อภัยเขาได้เราก็จะหายโกรธได้ คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอนิจังครับเวลาลูกนั่งสมาธิไประยะหนึ่งจะรู้สึกเหมือนมีแรงดึงที่หน้าเหมือนจังแหน่หน้าขึ้นลูกควรฝืนไว้หรือปล่อยไปจากแรงดึงคะหรือลูกคุมสติยังไม่ดีคะ่ะต้องไม่ต้องไปสนใจมันให้เรามาสร้างสติไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมาถ้าไปสนใจแล้วเราก็จะไม่ได้พุโทโธ แล้วมันก็จะเกิดอาการกำเริบขึ้นมากลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้งั้นอย่าไปสนใจเวลาอะไรมาโผล่ขึ้นมาให้เรารับรู้ให้เราเกาะติดอยู่กับพุทโธไปสร้างสติไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะหายไปเองคำถามต่อไปจากคุณเพนพันธ์ถ้าเราอยู่ไกลาจากพ่อแม่ไม่สามารถไปดูแลได้กลับไปเยี่ยมได้ปีละครั้งทำอย่างไรดีคะส่งเงินไปเลย ลงเงินไปให้จ้างคนอื่นดูแลแทนเราก็ได้อส่งเงินไปพ่อแม่ขาดอะไรไม่มีคนรับใช้ก็จ้างคนรับใช้มาส่งเงินไปจ่ายเงินเดือนให้คนรับใช้พ่อแม่ขาดอาหารก็ส่งเงินให้ไปซื้ออาหารไม่ต้องไปก็ได้ตัวเราไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปก็อย่าไปดีกว่าไปแล้วไปขอเงินพ่อแม่อย่าไปดีดีกว่าคําถามสุดท้ายจากตอนนี้นะครับ<อ>เอ จะคุณลอยครับมีลูกชายสองขวบแปดเดือนพระอาจารย์มีข้อแนะนําในการสอนเขาให้เขาเข้าหาพุทธศาสนาอย่างไรครับก็เราพาเข้าวัดสิเราพาเข้ามาเขาเข้ามากับเราเนี่ยเราไปไหนเขาก็ไปกับเราอย่างถ้าลูกตอนตอนที่มีลูกก็ต้องถ้าอยากจะให้ลูกเข้าวัดเราก็ต้องเข้าวัดเราเข้าวัดพาเข้ามาเข้าวัดเราใส่บาตรเขาก็ใส่บาตรนะี่นะ เรานั่งฟังเทศเขาก็นั่งฟังเทศเรานั่งสมาธิเขาก็นั่งสมาธิตามเราทําไมเขาถึงพูดภาษาเราได้ล่ะก็เพราะเราพูดอะไรเขาก็พูดตามที่เราพูดเนี่ยทำไมเขากินอาหารเราที่เรากินได้ก็เพราะเรากินอาหารอะไรเขาก็กินอาหารตามที่เรากินนั่นแหละยิ่งเราทําอะไรเราเราก็สอนเข้าไปในตัวอยู่แล้วถ้าเราไปเที่ยวบาเที่ยวผับพาเขาไปด้วยเดี๋ยวเขาก็ติดเขาก็จะไปเที่ยวบาเที่ยวผับต่อ เขาไปดูหนังฟังเพลงเขาก็จะไปดูหนังฟังเพลงมันอยู่ที่เราสอนเขาอยู่ที่การกระทําของเราฉะนั้นเราก็ต้องอาพาเขาไปในสิน่งให้เขาไปทําในสิ่งที่ดีไปทําบุญถ้าไม่ได้ไปวัดตอนเช้ามีโอกาสใส่บาตรเขาพาเขาใส่บาตรเชวญเขาใส่บาตรสอนให้เขารู้จักใส่าบาตรสอนให้เขารู้จักกราบพระเจอพระอย่างเด็กๆ เ, เมื่อกี้นี้ขึ้นมาก็กราบพระกันไป ถ้าสอนตั้งแต่เด็กๆมันก็จะจำได้แล้วก็จะทำง่ายถ้าไม่สอนเลเวลาโตนี่กาผ้ายังขาบไม่เป็นกันเลยมีเี้ามาแล้วครับจากคุณจากคุณไยบองครับเมื่อนั่งกรรมาฐานได้ระยะเวลาหนึ่งจะเกิดอาการเมื่อยล้าเจ็บปวดหัวเขา่าจึงต้องเปลี่ยนท่านั่งเมื่อเปลี่ยนแล้วสมาธิจะหลุดและต้องเริ่มใหม่กาบร้าอาจารย์ มีวิธีตัดความเจ็บปวดนั้นออกจากการนั่งกรรมฐานนั้นอย่างไรก็บริกรรมให้ถี่ขึ้นไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บเวลาพุโทโธแล้วมันเจ็บก็พุโทโธให้มันเร็วขึ้นก็ได้อย่าไปให้มีโอกาสไปคิดถึงความเจ็บถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันความอยากให้มันหายมันไม่มีความทรมานใจก็ไม่เกิดเราก็จะนั่งต่อไปได้อย่างสบาย อย่านอย่าไปสนใจกับความเจ็บเวลามันเจ็บให้กลับมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วเดี๋ยวความเจ็บก็จะถอยห่หางออกไปเองแล้วใจเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายก็จะนั่งต่อไปได้อย่างสบายมีคําถามฝากถามจากข้างล่างคะ่ะเมื่อคืนมานอนค้างบนที่พักป่าไม้เขาชีโอน เพื่อมาปฏิบัติธรรมและฟังธรรมพระอาจารย์วันนี้ช่วงกลางคืนฝันว่ามีกลุ่มผู้หญิง5้ถึงหคนมาที่พักช่วงดึกมากเขาบอกว่าจะมาฟังธรรมพระอาจารย์เช่นกันและชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าคนนี้มาฟังธรรมพระอาจารย์บ่อยมากสิ่งที่ฝันมันคืออะไรคะขาดสติหรือเรื่องจริงคะอ๋อเวลาฝันมันก็ คิดไปต่างๆแนวะหน้าได้ร้อยแปดพันประการถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงและไม่จริงก็อย่าไปสนใจมันมันเขาเรียกคำว่าเพ้อฝันเข้าใจมไหมเคยได้ยินคำว่าเพ้อฝันไหมจะไปเอาอะไรกับความเพ้อฝันมันฝันก็รู้ว่ามันฝันฮเท่านั้นเองถ้าฝันว่าถูกก็เตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันถูกก็เปล่าอะถ้าเออ ความฝันพอมันผ่านไปแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วไม่ต้องไปเอามาแบกให้หนักให้มันหนักอกหนักใจไปเปล่าถ้ามันจะเป็นจริงเดี๋ยวมันก็มันก็ปรากฏให้เรารู้เองว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงถ้ามันไม่เป็นจริงก็ช่างหัวมันถ้ามันจริงก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแต่อย่างใดถ้าฝันแล้วทาให้เราบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็น่าน่าจะฝันฝันว่ากิเลสตายหมดแล้วพอตื่นขึ้นมากิเลสหา ยังอยู่เหมือนเดิมให้รู้ว่าความฝันกับความจริงมันอาจจะเหมือนกันก็ได้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะให้รู้แค่นั้นก็พอคำถามต่อไปจาก Facebook l i v e นะครับจากคุณพงพัฒน์ทำไมเรากินเนื้อสั์แล้วจึงต้องรักษาสินข้อหนึ่งมันเหมือนขัดขัดกันนะครับไม่ขัดหรอกถ้าคุณเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คุณไม่ฆ่ามันแล้วมันตายนะี่คุณจะไปทาอะไรกับเป็ดไก่ลนะ่ะ คุณจะไปเผาก็ไปโยนทิ้งก็ได้หรือคุณจะเอามาปิ้งเอามาย่างกินก็ได้ดาบใดที่คุณไม่ข่ามันเสีอย่างมันไม่เกี่ยวกันนั่นหน่อยสาดทุกชนิดมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีวันตายกันทั้งนั้นถ้ามันตายแล้วเราไปกินก็ไม่กินมันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมเอาไปโยนทิ้งก็มันก็เหมือนกับเอามากินมันไม่มีอะไรเอามากินยังได้ประโยชน์ทำให้ร่างกายมีอาหารหล่อเลี้ยงต่อไป อย่เรื่องของการฆ่ากับการกินเนื้อสัตว์นี่มันคนละเรื่องกันอย่าเอามาโยงกันนะครับถ้ากินเนื้อสัตว์ที่สัตว์มันตายเองนี่มันไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ไปทําให้มันตายมันตายของมันเองแการที่เราไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์มันก็ไม่ได้ทํำมันได้ไปห้ามไม่ให้สัตว์มันตายใช่ไหมสัตว์ทุกตัวเกิดมาแล้วมันต้องตายด้วยการทุกตัวไม่ว่าจะเป็นใครทั้งั้น งั้อย่ามาคิดว่ากินเจแล้วจะทําทให้คนตายน้อยลงสัตว์ตายน้อยลงไม่มีทางมันก็ตายเท่าเดิมเลยใช่ไหมเกิดมากี่กี่คนมันก็ต้องตายทุกคนเกิดมากี่ตัวมันก็ต้องตายทุกตัวเพียงแต่ว่าจะตายเร็วหรือตายช้าเท่านั้นเนะี่ยถ้าคนข่าวมากินมันก็ตายเร็วหน่อยก็ <c oughs> เท่านั้นเองถ้าไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราอย่ามาเกิดกันจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องกินเรื่องข่ากันเนี่ย แต่ว่าเรายัางอยากจะกลับมาเกิดกันเนี่ยเพราะเราหยุดความอยากกันไม่ได้เมื่ออยากเมื่อเมื่ออยากมาเกิดก็ต้องยอมตายสิเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องมีตายมันจะตายแบบัหนมันก็ตายเหมือนกันถ้าจะตายก็ตายแบบไม่กลับมาเกิดเนี่ยดีที่สุดแบบที่เมื่อกี้ได้เทศให้ฟังยอมตายแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเราจะได้ไม่ต้องมาตายอีกต่อไปตายแบบพระพุทธเจ้า ตายแบบภาษาวกยอมตายแบบพระพุทธเจ้าแบบภาษาวก k e เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณหมูนะครับการดูลมหายใจให้สติอยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามไปข้างในใช่ไหมครับออให้อยู่จุดเดียวเพราะถ้ามันเคลื่อนไปเคลื่อนมาจิต ม, น ม, นมันก็จะไม่นิ่งตามไปตามมาเราต้องการให้จิตนิ่งงั้นจิตมันต้องอยู่จุดใดจุดหนึ่งอย่าเคลื่อนอย่าอย่าไหลาตามลม เข้าลมออกให้อยู่ตรงจุดที่มันสัมผัสเข้าออกคําถามต่อไปจากคุณคูณนะครับถ้าพิจารณาตายรักโดยไม่ได้นั่งสมาธิจะสามารถทําให้บรรลุธรรมได้ไหมคะถ้าตัดกิเลสได้ก็บรรลุได้เช่นเจอความตายแล้วพิจารณาว่าร่างกายต้องตายแล้วก็ยอมตายปล่อยให้ร่างกายตายไปโดยไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายก็บรรลุเป็นพระสุวรรดาบรรได้ จะทำใจได้เปล่าพอเจอความตายเราจะทำยังไงปลงได้ไั้ยว่าเออไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เที่ยงรือแล้วพอเจอปั๊บก็ใจสั่นวุบไปหมดไดอันนี้ก็อยู่ที่ว่ามีกําลังที่จะควบคุมตันหาความอยากไม่ตายนี่ได้เปล่าความอยากอยู่ความอยากไม่ตายมันทำให้เรากลัวตายกันถ้าเรามีปัญญาพิจารณาว่ามันเป็น ต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจถ้าไม่อยากทุกข์ทรมานใจก็ต้องยอมตายพอปรงตะพอยอมตายความทุกข์ก็หายไปจิตก็สงบจิตก็ปล่อยวางร่างกายได้คำถามต่อไปจากคุณวัศมีครับผมขอถามการปฏิบัติภาวนาจำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์หรือเปล่าครับ เ, เรียนหนังสือต้องมีครูบาอาจารย์หรือเปล่า ถ้าคุณปฏิบัติแล้วคุณไม่รู้วิธีปฏิบัติแล้วคุณไม่มีครูบาอาจารย์แล้วคุณจะปฏิบัติได้ยังไงของทุกอย่างที่เราไม่รู้เราก็ต้องมีครูมีอาจารย์สอนแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องมีครูอาจารย์สอนมันอยู่ที่ว่าเรารู้หรือไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องหาอาจารย์สอนถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องหาอาจารย์สอนคำถามต่อไปจากคุณจันเพนครับถ้าเราขออโหสิกรรมกับคนคนหนึ่ง แต่เขากลับไม่ตอบรับและยังถามกลับมาว่าเพื่ออะไรเราตอบว่าจะได้ไม่ต้องมีเวรกรรมต่อกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแต่เขาลุกหนีไปอย่างนี้เราเอาโหสีกรรมฝ่ายเดียวได้ใช่ไหมคะก็ตบมือสองข้างมันมันตบมือมันต้องสองข้างมันถึงจะดังถ้าตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังเนี่นถ้าเร า, เอาโอโหสกรรมให้เขาแล้วเขาจะมาทำร้ายเราเราก็ปล่อยก็ทาร้ายไป แต่เราจะไม่มีการตอบโต้เดี๋ยวพอเขาเหนื่อยเขาก็เลิกเองแต่ถ้าเราไปตอบโต้เขาก็เดี๋ยวก็เขาก็จะกลับมาอีกเขาด่าเราเราก็กลับไปด่าเขาเขาตีเราเราก็กลับไปตีเขาเดี๋ยวก็ฆ่ากันตายไปในที่สุดแต่ถ้าเขาด่าเราเราก็เฉยให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราคิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกัน กากนี้เราก็จบเราไม่ต้องไปขอเอาโหสิกรรมเขาให้เสียเวลาขอให้เราเอาโหสิกรรมให้กับเขาให้ได้ก็แล้วกันแล้วปัญหามันก็จะจบไปเองอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเวนย่อมย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนเวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนเท่านั้นหมดแล้วยังยังมีอีกครับอ่าถามมาเรื่อยๆครับจากคุณวิไลลักษ ช่วงนี้จะเข้าสู่ปีใหม่มีโหนทํานายกันเยอะเรื่องปีชงค่ะเราควรพิจารณาอย่างไรคะก็เอากาแฟมาสิเอากาแฟเอาของที่เราจะชงกันเนี่ยมันไม่มีหรอกชงไม่ชงอ่ะมันคืนมันก็เหมือนกันทุกปีเน่มันมีแต่สว่างกับมืดเนี่ย แต่เหตุการณ์ต่างๆในโลกมันก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยต่างๆคนชั่วมากขึ้นเรื่องก็วุ่นวายมากขึ้นคนเชื่อน้อยลงโลกก็สงบมากขึ้นมันอยู่แค่ตรงนั้นอะอยู่ที่ใจของคนว่ามันจะหันไปทางไหนกันถ้าหันไปทางชั่วมันก็วุ่นวายกันถ้ามันหันไปทางดีมันก็สงบกันนี่มันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้คนหันไปทางชั่วบ้างดีบ้างไอ้เราก็ไปกําหนดมันไม่ได้ สิ่งที่เราทําได้ก็คือทําใจให้เป็นอูเบกคขาอย่าไปวุ่นวายไปกับมันเหมือนกับเราไปทําอะไรไม่ได้อยู่ดีไปวุ่นวายไปก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรทุกไปเปล่าเปล่าซื่อพยายามทําใจเราให้นิ่งไม่วุ่นวายกับเขาดีกว่าคิดว่าอย่างมากก็แค่ตายพอเราทุกคนเกิดมาก็ตายเหมือนกันทุกคนจะปีชงหรือไม่ชงถึงเวลามันก็ตายเหมือนกัน จะอยู่แบบสุขไม่ทุกข์ก็อยู่แบบนิ่งหรือไม่นิ่งถ้าอยากจะอยู่แบบสุขก็ต้องนิ่งๆอย่าไปวุ่นวายมานั่งภาวนามาปองกันดีกว่าถ้ามาวิตกมากังวลมาหวาดกลัวกันมันก็อยู่แบบไม่มีความสุขอยู่แบบนั้นก็อย่าไปอยู่ดีกว่าคําถามต่อไปจากคุณพงครับการปฏิบัตินั่งภาวนาโดยการสังเกตดูเวทนาทางกายไล่ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้า ด้วยใจที่เป็นอุเบกขาโดยสังเกตเวทนาทุกๆส่วนเป็นส่วนส่วนไปไล่ลงมาเทคนิคนี้เป็นการปฏิบัติวิปัสนาที่ถูกต้องไหมเจ้าคะอ๋อไม่ถูกหรอกหนึ่งใจไม่เป็นอุเบกขาอยู่แล้วใจจะเป็นอุเบกขาต่อเมื่อมันเป็นสมาธิเท่านั้นที่บอกว่าเป็นอุเบกขาก็อุเบกขาปลอมเดี๋ยวพอไปเจอความเจ็บหน่อยก็อุเบกขาไม่ออก อยากจะให้มันหายเจ็บขึ้นมาแล้วถ้าอุเบกขาจริงมันเจ็บขนาดไหนก็เฉยเฉยได้ปล่อยมันเจ็บได้ถ้าเวลานั่งดูเวทนาแบบเบาๆมันก็ดูได้แต่พอมันหิวขึ้นมานี่มันอดได้ไหมอดข้าวเย็นนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยยังมีอุเบกขาอยู่หรือเปล่าอันนี้มันมันมันต้องดูตอนที่เวทนามันรุนแรงถ้าเวทนามันค่อยๆมันไม่มีปัญหาหรอก จะมีอุเบกขาไม่มีอุเบกขาคล้ายๆก็ดูได้แต่ตอนที่มันไปเจอทุกขเวทนาขึ้นมาเนี่ยมันยังอุเบกขาอยู่หรือเปล่านั่งไปแล้วมันเจ็บยังนั่งต่อไปได้หรือเปล่าอันนั้นแหละถึงจะรู้ว่ามีอุเบกขาแล้วไม่มีอุเบกขาส่วนใหญ่ก็นั่งต่อไปไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขากันแต่ถ้ามีอุเบกขาก็นั่งต่อไปได้ปล่อยให้มันเกิดแล้วมันดับของมันไปเองได้เยังถ้าจะดูเวทนาต้องดูตอนที่มันรุนแรง ไม่ใช่ตอนที่มันเบาๆมันเบาๆมันไม่มีปัญหากับใจเรามันจะมีปัญหาเฉพาะตอนที่มันแรงทุกขเวทนามาแรงๆเนี่ยตอนนั้นเรารับไหวหรือเปล่าคำถามต่อไปจากคุณตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาครับกระผมต้องการบวชใหม่โดยการย้ายนิกายแต่กระผมไม่สามารถที่จะบอกโยมทางบ้านไม่กล้าที่จะบอกออกไปอยากทาให้เป็นเรื่องเงียบที่สุด แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรปรึกษาอาจารย์ต่างๆที่อยู่ในวัดเขาก็บอกให้สึกและบวชใหม่เป็นการย้ายนิกายมาเป็นแบบเดียวกันแต่กระผมไม่มีผู้อุปถาไม่กล้า บ, บอกโยมที่บ้านให้ทราบจะทำอย่างไรดีขอรับในเมื่อจะต้องหาวัดจำพรรษาในเร็วๆนี้ตามปกตินะเวลาไปบวช เ, เราไม่ต้องมีเจ้าภาพหรอกขอให้เราไปพบกับพระอุปชาขอ ให้ท่านบวชให้ถ้าท่านเห็นว่าเราเป็นบุคคลที่ควรจะบวชให้ท่านก็จะเป็นเจ้าภาพให้เองถ้าเราไม่มีเจ้าภาพยั น, นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำตัวเราให้เขายินดีที่จะบวชให้กับเราไม่ใช่อยู่ๆไปถึงปั๊บสมัครปั๊บขอบวชเลยแต่อยากจะให้เขาบวชให้ก็ต้องไปขออนุญาตแล้วก็ให้ท่านพิจารณาท่านก็จะพิจารณาดูว่าพร้อมที่จะบวชหรือ ย, อยัง ถ้ายังไม่พร้อมท่านก็บอกให้รอไปก่อนให้ทําอย่างนู้นทํางี้ไปก่อนเราก็ต้องทําตัวของเราให้เป็นที่ไว้ใจว่าบวชแล้วจะได้ไม่เสียเข้าสุกแต่บบนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอยากจะบวชพวบมันก็ไปเลยถ้าอยากจะบวชเดี๋ยวเดี๋ก็ไปวัดที่เขามีคนตายสิไปขอสมัครบวชให้เจ้าภาพเขาก็ได้เขามีคนอยากจะให้บวชให้กับศพเยอะแยะไปบวชแล้วเราก็ไม่ต้องสึกบวชแล้วเราก็ไปไปของเราต่อไป วิธีจะหาวิธีบวชมันง่ายจะตายไปสมัยนี้ไม่ต้องมีเจ้าพวกเจ้าภาพหรอกยิ่งช่วงนี้มีบวชถวายในหลวงเนี่ยไปที่ไหนก็มีเปิดสมัครให้บวชถวายในหลวงก็ไปสมัครได้แล้วเนี่ยเขาก็มีเจ้าภาพรออยู่เยอะแยะไปหมดแต่บวชจริงๆมันต้องบวชแบบที่พระอุปชาได้พิจารณาดูคุณภาพคุณสมบัติของเราแล้ว ว่าที่เขาจะบวชให้พระจริงๆนี่เขาให้อยู่เป็นพระขาวไปก่อนสักปีหนึ่งอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรพร้อมที่จะบวชหรือไม่มีคุณสมบัติเช่นความสัมมาคารวะความอ่อนน้อมถ่อมตนความขยันหรือไม่เขาจะดูคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อผู้บวชถ้ายังเห็นว่าไม่มีสัมมาคารวะยังมีความเกียดค้านอยู่เขาก็จะไม่บวชให้ถ้ามีความดื้อหยุดไม่เชื่อฟังไม่เชื่อ ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์อย่างนี้เขาก็จะไม่บวชให้บวชไปก็เสียเข้าสุขเปล่าวิธีที่จะบวชจริงๆก็ทําอย่างเนี้ยอย่างสายของหลวงพ่อชาวัดหนองปอบพงษนี่กครจะไปบวชนี่ก็ให้ไปอยู่เป็นภาคขาวก่อนให้ไปถึงศีลแปดก่อนวัดปฏิบัติส่วนใหญ่ก็เหมือนกันที่นี่ชาวต่างประเทศจะมาบวชอยู่กับเราเราก็บอกว่าอยู่ภาคขาวไปอย่างน้อยหกเดือนก่อนหกเดือนก็ปีหนึ่งก่อนหรือว่า จะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะบวชได้หรือไม่พอพร้อมแล้วไม่ต้องกลัวเจ้าภาพรอบวชให้เยอะแยะบอกให้ญาติโยมรู้นี่แย่งกันเป็นเจ้าภาพกันเลยเพราะเขารู้ว่าได้คนที่ได้คัดสรรมาแล้วบวชแต่คนที่ไม่รู้อีโนยเนมาจากไหนก็ไม่รู้มาถึงก็จะขอบวชนี่เ้าไม่บวชให้หรอกถ้าเป็นวัดที่เขาคัดเฟ้นจริงๆเพราะการบวชนี่มันสาคัญยิ่งกว่าการเข้ามาหาไหลนะ ข้ามาอาลรยนี่มันยังต้องสอบเอนทันกันเลยแล้วมาบวชเข้าสู่พระพุทธศาสนาที่เป็นสาธารบัที่สูงกว่าทำไมจะไม่มีการคัดเฟ้นไม่มีการสอบเอนทันกันบ้างยางนั้นคนที่อยากจะบวชจริงๆต้องใจเย็นๆต้องพร้อมที่จะผ่านขั้นตอนของการคัดเลือกคุณสมบัติทดสอบคุณสมบัติของเราว่าพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะทําตามที่เขาสั่งทุกอย่าง ถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวก็เห็นว่าเราพร้อมเขาก็จะบวชให้เราเองไอเรื่องเจ้าภาพนี่ไม่มีไม่เป็นปัญหาหรอกบวชจริงๆไม่ต้องใช้เงินหรอกก็มีแค่อัต บ, บริขานก็บวชได้แล้วอาจารครับในในส่วนของการปฏิบัตินะครับอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติด้วยวิธีหนึ่งอยู่อย่างผมเองเนี่ยใช้การจับลมหายใจที่กระทบปลายจมูก แต่เกิดเป็นหวัดขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้ไม่สะดวกเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีไปใช้วิธีอื่นในขณะที่เราไม่พร้อมในขณะนั้นได้ไหมครับได้ก็พูดโทรไปก็ได้แล้วดูที่กลางอกก็ได้ถ้าเปลี่ยนที่ดูจากที่จมูกก็มาดูที่กลางอกแทนก็ได้ยุบหนอพองหน่อไปหายใจเข้าก็พองหายใจออกก็พองหายใหายใจออกก็ยุหายใจเข้าก็พองก็รู้ตรงกลางอกไปแทนก็ได้ หรือจะใช้พุโทโธถัดไปแทนก็นได้แล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วเวลาที่เราป่วยครับอย่างไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่สบายมึนหัว น, นะครับในยามที่เราป่วยเนี่ยการฝึกเราควรจะยังไงครับเพราะว่าก็จะรู้สึกว่าก็จะฝึกยากยาถ้ามึนหัวก็อาจจะอยากนอนทั้งวันอย่างนี้เราควรพิจารณาการฝึกในตารางของเราอย่างไรครับฝืนฝึกต่อหรือว่าเราควรจะปรับยังไงคอาจารย์ก็ทำเท่าที่ร่างกายจะอํานวยให้ทํา ทำไม่ได้ก็นอนไปเอว่าเป็นช่วงพักรักษาตัวไปอี ก, กับถามหนึ่งครับในตำราของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงเรื่องของภพภูมิต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของสวรรค์หรือนรกใ ห, ให้เราได้พอศึกษา อ, อยากจะทราบว่าในเรื่องของแดนนิพพานเนี่ย ในพุทธศาสนาะพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์น ok? ี้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไระครับพระอาจารย์ก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเนี่สวรรค์ชั้นอื่นๆนี้มันยังไม่เที่ยงยังมีการเสื่อมได้เช่นไปเป็นพรหมก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็จะกลับลงมาเป็นมนุษย์แต่พอไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานแล้วก็จะไม่เสื่อมจะมีแต่ความสุขร้อยเปอร์เซนต์ความสุขสวรรค์ชั้นพรหมก็ สกพอระยะหนึ่งแล้วพอหมดกําลังมันก็เลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพก็สุกน้อยกว่าสวรรค์ชั้นผอมสวรรค์ชั้นผอมนี่ก็สุกเท่าๆกับสวรรค์ชั้นนิพพานแต่ตรงที่ว่ามันยังเสื่อมอยู่แต่สวรรค์ชั้นนิพพานนี้มันไม่เสื่อมมันต่างกันแค่ตรงนั้นก็คือขึอ้นไปอยู่ได้แล้วเนี่ยก็คือจะไม่ลงมาไม่ลงนะถ้าเป็นนิพพานถ้าเป็นพระอริยะเจ้านี้จะไม่เสื่อมแล้วขออีก คำถามนึงเมื่อกี้ครับที่พอาจารย์ได้พูดถึงการฝึกดูเวทนาที่มีผู้ถามมืสักครู่ครับถ้าเราถ้าเราฝึกด้วยการที่นั่งแล้วเราดูเวทนาที่มากยกตัวอย่างเช่นนั่งสมาธิสักหกชั่วโมงะนะครับต่อเนื่องกันซึ่งก็คงเวทนาเยอะอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรจากการฝึกลักษณะอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ก็เราจะได้รู้ว่าเราอยู่กับทุกเวทนาได้ถ้าเรามีสติมีอุเบกขา เราจะไม่ต้องทุกก so, ับเวทนาของทางร่างกายได้แต่ที่เราทุกกันนั้นไม่ได้เพราะไม่ได้เราไม่ได้ทุกเพราะความทุกขของทางร่างกายความทุกส่วนใหญ่เกิดจากใจของเรารับกับความทุกขของทางร่างกายไม่ได้ก็เลยสร้างความความอยากให้ความทุกทางร่างกายหายไปพอเกิดความอยากมันก็เลยสร้างความทรมานใจที่รุนแรงกว่าความทุกทางร่างกายแต่ถ้าเรา ทำใจให้นิ่งๆเฉยๆไม่มีความอยากให้ความทุกข์ของทางร่างกายหายไปได้ความทุกข์ทางใจก็จะไม่มีเราก็จะสามารถอยู่กับความทุกข์ทางร่างกายได้อย่างสบายหลานะนรมัสตาอาจาร์ค่ะจะรบกวนสอบถามว่าออพระโพธิสัตว์กับพระอรหรันต์นะคะเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรคะออพระโพธิสัตว์ก็เป็นเหมือนนักศึกษาปีหนึ่งสองสามสี่ส่วนพระอรหันต์ก็คือ พาที่นักศึกษาที่ได้จบปริญญาแล้วพระโพธิสตร์ยังเป็นผู้ที่กําลังบําเพ็ญกําลังเรียนปีหนึ่งปีสองปีสา ม, ป, สามปีสี่อยู่พอจบปีสี่ก็ได้ปริญญาพาาระอรหันเป็นผู้ที่ได้จบปริญญาแล้วได้บําเพ็ญปีหนึ่งปีสองปีสามครบท่วนบริบูรณ์แล้วหมดแล้วนะแค่นี้ก่อนนะทั้งนู้นพอแนละ้ว